ลูกน้องก็จะไปทางขวาเช่นเดียวกับธรรมอื่นๆเช่นสัมมาสังกโปสัมมากมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะ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 มรรคผลที่ผ่านขึ้นมาและเป็นผู้ที่จะรับผลขึ้นมาขึ้นอยู่ที่การกระทำของใจเองการที่ใจจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ใจต้องรู้จักวิธีที่จะทำให้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 ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตเวณีไม่เสพสุรายามเมาการพูดก็จะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียอาชีพก็จะเป็นสัมมาชีพคืออาชีพที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเช่นอาชีพคาา ฆาสัตก็จะไม่ทําอาชีพที่ขายอาวุธขายเครื่องดั ก, กายยาสัตว์ก็จะไม่ทํา อ, อาชีพที่ขายยาพิษขายสุรายาเมาก็จะไม่ทํานี่คืออาชีพที่ไม่ถูกไม่ควรที่จะกระทาทําอาชีพที่ไม่เป็นภยัยไม่เป็นอันตราย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 ความโกรธความหลงชลั่มะตันหาต่างๆคือกามาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสติสตให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปในอดีตไม่ให้ลอยไปใน อนาคตให้จิตอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ร่างกายหรืออยู่ที่อารมณ์ที่ได้กำหนดเอาไว้เช่นพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธหรือจะใช้มรณานุสติก็ระลึกถึงความตายของสรรพสิ่งของสรรพสัตว์ของบุคคลต่างๆทั้งเขาทั้งเรา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 คือเข้าสู่ความสงบความว่างความเป็นสักแต่ว่ารู้ความเป็นอุเบกขานี่เรียกว่าเป็นสมมาสมาธิถ้าใจยังไม่ถึงจุดนี้เช่นระหว่างที่จะเข้าไปสู่จุดนี้อาจจะได้เห็นได้ยินได้รับรู้อะไรต่างๆ ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้ภาวนาต่อไปให้เจริญสติต่อไปให้อยู่กับอารมณ์ที่ได้กำหนดไว้จนกว่าจิตจะรวมเข้าเป็นเอกคักรตารวมรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุบเบกขากับความว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจากภาพหรือเสียงหรือแสงอะไรต่างๆ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 ขณะที่จิตรวมนี้จิตจะปล่อยวางขันทั้งหมดจิตจะปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปล่อยขันห้าอยู่ตามลำพังเหมือนกับแยกกันเคยเป็นสองคนเป็นเคยเป็นสามีภรรยากันพอเข้าสู่อัปปนาก็เหมือนแยกอยู่กันคนละบ้านสามีไปอยู่บ้านหนึ่งภรรยาไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง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 ก็จะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไหลไปตามกระแสของโมหะอวิชชาดังที่ได้แสดงไว้ในปัจจายการหรือปฏิปจจะสา ม, มุปบาทอวิชชาปัจจายาสังขาราสังขาราปัจจายาวิญญาณวิยญาณปัจจายานามรูปรูปะแล้วก็ออกไปทาง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 บางท่านได้ฟังเทศฟังธรรมมาอย่างโชคชนรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรก็เริ่มปฏิบัติเริ่มปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องคือเก็บตัวสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ออกไม่ส่งจิตให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ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 เครื่องดื่มชนิดต่างๆทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องดื่มถ้าอยากจะดื่มเพื่อร่างกายก็ให้ดื่มน้ำเปล่าเปล่าไปแต่ถ้าอยากจะดื่มรสอยากจะเสพรสของเครื่องดื่มอย่างนี้แสดงว่าเป็นกามะตัณหาแล้วเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุทพะเช่นอยากจะดื่มกาแฟอยากจะรับประทานขนมนมเนย อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรได้ดื่มแล้วมันก็เป็นอย่างไรมันก็สุกเดียวเดียวสุกเดียวเดียวแล้วเดียวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เวลาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝืนไม่ทําตามความอยากความอยากก็จะสงบตัวลงไปความสงบที่ได้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 สิ่งที่ได้ทดแทนมาก็คือความทุกข์ใจเช่นอยากจะไปอยู่กับแฟนอยากจะมีแฟนอย่างนี้เวลาได้อยู่กับแฟนก็จะมีความสุขใจแต่เวลาที่แฟนจากไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันพัดพากจากกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้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 รู้โทษของการมีแฟนรู้โทษของของของความอยากมีแฟนว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์ที่แท้จริงมากกว่าผู้ใดก็ตามถ้าไปหาสิ่งต่างๆ ต, ตามความอยากนั้นจะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอนเป็นจะเจอช้าหรือเจอเร็วเท่านั้นบางคนก็เจอเร็วมออข้าวยังไม่ทันดาก็ทุบตีกันแล้วทะเลาะกันแล้ว อย่าว้างกันแล้วบางคนก็ไม่ได้ทุบตีกันรักกันแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามดความตายไปก็มีเครื่องบินตกก็มีอันนี้ก็เป็นอนิจังเหมือนกันเป็นความทุกข์เหมือนกันพอเกิดแล้วพอต้องจากกันปับ๊บมันก็หมดไปความสุขที่ได้ร่วมกันก็หมดไป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 ก็กลับมาให้ความทุกข์กับเราก็ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะตัดความอยากได้ซื่ออยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้เราสามารถสั่งได้สั่งให้มีได้ตลอดเวลาถ้าเรามีเครื่องมือคือสติถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปคิดจุงแต่งไม่ให้ไปอยากกับเรื่องราวต่างๆใจของเราก็จะสงบจะ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 นี่แหะเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้จะถูกโมหะอวิชชาฉุดลากให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสพุทธะด้วยความอยากต่างๆแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเป็นของเราเป็นนานๆ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 เวลาหาก็ทุกข์แล้วเวลาได้มาก็รักก็หวงก็ทุกข์อีกแล้วเวลาหวงก็ทุกข์อีกแล้วเวลาจากกันก็ทุกข์อีกแล้วนี่แต่ทุกข์เป็นส่วนใหญ่สุขเพียงเล็กๆน้อยๆเวลาที่ได้มาใหม่ๆเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราควรจะเจริญอยู่ได้เรื่อยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เป็นขั้นๆไป ขั้นต้นก็ให้รู้กรอบของการคิดความเห็นของเราว่าเห็นว่าการทําบุญละบาปการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นหน้าที่ของเราเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา <S <S มเมื่อเรารู้กรอบนี้แล้วเราก็ควบคุมการกระทําของเราให้อยู่ในกรอบนี้ให้ทําแต่บุญให้ละบาปรักษาศีลห้าศีลแปด รักษาศีลสิบรักษาศีลสองอยบเจ็ไปตามฐานะของตนฮะแล้วก็คอยสนับสนุนให้มีการเจริญสติอยู่อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าสู่ความสงบความสุขที่แท้จริงพอได้ความสงบความสุขที่แท้จริงก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิอีกระดับหนึ่งก็คือ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 การกระทำการพูดการปฏิบัติต่างๆก็จะไปในทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่พระนิพพานตามลาดับต่อไปถ้าเราลืมสัมมาทิฏฐิเราก็จะถูกมิจฉาทิฏฐิหลอกให้เราไปหาการเวียนว่ายตายเกิดไปตามกำนาของกิเลสตัณหาความอยากไปสู่สถานบันเทิงต่างๆไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ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 ก็ไม่สามารถหยุดต้นเหตุที่ทำพามาให้เกิดใหม่ได้ก็คือความอยากต่างๆนี้เองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราได้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องนาเอาไปใช้เอาไปปฏิบัต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 เราต้องรีบกับรถยูเทิแล้วขับไปในทางเดียวกันขับไปในทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเดินกันไปเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระอาหารหันตสาวกด้วยการเจริญมรรคแปดด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาด้วยการเจริญทานศีลภาวนาด้วยการปลีกวิเวกด้วยการสำรวมเินทรีย์ตาหูจมูกนิ้นกาย โดยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาแล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับ mm. ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเ mm. พราะผลนี้เกิดขึ้นจากเหตุ mm. เหตุก็คือการบำเพ็ญตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาไม่ได้เกิดจากความอยากได้มรรคผลนิพพาน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 ทางของผ อ, อาหลานตรสาวก็คือการทาบุญการละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั้นขอให้พวกเราจดจำไว้ให้ดีฟังทำแล้วต้องจำไว้ให้แม่นแล้วทุกครั้งที่เราทำอะไรเราก็ต้องคอยตรวจ ด, ดู ก, กับคำสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกับเวลาเราเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องใช้ แผนที่หรสมัยนี้ก็ต้องใช้ GPS คอยเปิดดูว่ามันบอกให้เราไปทางไหนมันบอกให้เลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงเนี่แหละ GPS ของพระพุทธเจ้าก็คือสัมมาทิฏฐินี่เองนันก็ขอให้จงเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่มี GPS ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีทางไปถึงพระนิพพานได้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 มณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมวทธานติอายุวันโอสุขัง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 การที่เราจําเป็นจะต้องทําใจให้สงบมากๆนานๆเพราะว่าจะมีกําลังเหมือนกับคนที่ได้รับประทานอาหารมากๆได้นอนมากๆเวลาตื่นขึ้นมาไปทํางานนี้ก็จะมีกําลังวังชาที่จะไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้านอนนอนได้น้อยกินน้อยแล้วต้องออกไปทํางานก็จะไม่มีเรียเร่ยวแรงมากทําได้ไม่มากก็ เหนื่อยและหิวลวดังนั้นเบื้องต้นท่านงสอนให้พยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้มากๆให้จิตนี้มีความแน่นมีความอิ่มมีความพออยู่มากๆแล้วค่อยออกไปทางปัญญาเวลาออกไปทางปัญญาก็ต้องรอรอเวลาที่เราออกจากสมาธิแล้วเหมือนกับร่างกายเราเราจะออกไปทำงานได้ก็ต้องรอให้ร่างกายตื่นขึ้นมาก่อน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 รล่ อ, ลอเราก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราต้องเข้าไปดูส่วนที่เรียกว่าอาสุภะเช่นดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังภายใต้ผิวหนังมีอะไรก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีพมีหัวใจตับปอดไตลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเยื่อในสมองศีรษะ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 เวลาที่เราอิจฉาหรือเสยียเราก็จะได้แต่ความทุกข์กลับมาดังนั้นให้เราคิดว่าความดีของเขาความเจริญของเขาความสุขของเขาเนี่ยมันเป็นอนิสงส์ของการกระทาของเขาเป็นผลของบุญที่เขาทำมาเราจะไปอิจฉานรือสเสียล้วก็ไปยับยั้งไม่ได้ไปห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของผลของบุญที่เขาทำมา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 เราก็จะได้ไม่ไปเดือดร้อนเพราะบางทีเราไม่อิจฉาแต่เราอาจจะไปทุกร้อนแทนเขาก็ได้เห็นคนอื่นเ็าเดือดร้อนก็ไปทุกร้อนแทนเขาแล้วเราก็ไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเขาก็ต้องรับผลของบาปกรรมที่เขาทำมาที่เขาทุกข์เขาเดือดร้อนก็เพราะการการะทำของเขาทำให้เกิดผลเหล่านี้ขึ้นมาเราทำอะไรก็ทำไม่ได้เช่นบางทีทาได้เราก็ทำไปถ้าเราช่วยเหลือเขาได้แบ่งเบาแบ่งปันความ บรรเทาความทุกข์ของเขาได้เราก็ทาไปแต่ถ้ามันอยู่ในฉีดที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราไปทุกข์กับเขาเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องรู้จักทำใจให้ปานูเบกขาวางเฉยใจจะปานูเบกขาได้ก็ต้องมีสมาธินี่คำถามข้อต่อไปจากคุณอัญนชนานครับหนูกาเรียนขอความรู้ค่ะตอนนั่งสมาธิหนูจะคอตกบ้าง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 คำถามข้อที่สองนะครับเราต้องทำสมาธิถึงขั้นไหนเจ้าคะถึงจะยกจิตมาซ้อมพิจารณาทางด้านปัญญาได้ก็ อ, อย่างที่ได้แสดงไว้แล้วว่าต้องจิตรวมเป็นอย่างสักด์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาท่านเรียกว่าคณนิกะบ้างอัปปนาบ้างถ้ารวมชื่อปเดียวปดาว ช่วขณะสองขณะเรียกว่าคณนิกะถ้ารวมเน่ายาวห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าอัปปนาได้ดังนั้นเราต้องเบื้องต้นนี้เราจะได้แต่คณนิกะจิตรวมลงปับ๊บเราจะตื่นเต้นตกใจแล้วก็จะถอนออกมาแต่พอต่อไปเรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นมันพอครั้งต่อไปมันรวมเราก็จะ่กขักรับประคองด้วยสติ ให้รู้เฉยๆไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีออกดีใจแล้วต่อไปมันก็จะสงบได้นานไปเรื่อยๆสงบได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะจะได้มีเป็นฐานกำลังของการเจริญปัญญาต่อไปเวลาจะเจริญปัญญานี่ต้องรอให้ออกจากความสงบก่อนขณะที่อยู่ในความสงบนี้ไม่ให้ไม่ให้พิจารณาอะไรทั้งนั้นให้นิ่งเฉยๆไม่ให้ใช้ความคิดจะใช้ความคิดก็ต่อเมื่อ จิตไม่สามารถอยู่ในความนิ่งได้แล้วเริ่มออกมาคิดปุุงแต่งจะอยู่ในอิริยบทใดก็ได้ถ้ายังนั่งอยู่อยากจะนั่งพิจารณาก็ได้ถ้าเมื่อยไม่อยากจะนั่งพิจารณานุกขึ้นมาเดินพิจารณาก็ได้แล้วแต่ข้อที่สามนะครับแล้วที่บอกว่าปัญญาอบรมสมาธินั้นแต่ว่าใช้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิในทางโลก อบรมจิตให้มีสมาธิก่อนแล้วค่อยเกิดปัญญาทางมรรคใช่ไหมเจ้าคะเช่นสมมุติว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเช่นเรื่องสามีเรื่องหมอไปเที่ยวไปที่ไหนมีหนูที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> ก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าท่านหมอเป็นอนาสตาเราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้หมอเป็นอนิจจังเขาอาจจะรักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้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 ความทุกข์ใจก็หายไปดีไม่ดีความเจ็บก็หายไปด้วยก็มีเพราะจิตเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายร่างของเรื่องของเวทนานี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเหมือนกันแต่เป็นเป็นปัญญาขั้นวิปัสสนาแล้วปัญญาปัญญาที่ใช้พิจารณาขนาันห้าพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาอันนี้ก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิอีกแบบหนึง่ง คำถามข้อต่อไปจากคุณปีนานะครับหากไม่อยากกลับมาเกิดอีกจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ฟังเทศเทศเทศได้วันนี้เนอะ <laughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณจันสิรินะครับผู้ชายไม่แท้ใจมุ่งตรงต่อการปฏิบัติธรรมสามารถออกบวชได้หรือไม่คะถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด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 ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพศนั้น เ, นเพศนี้แต่เนื่องจากว่าเพศหญิง ก, กับเพศชายนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจเจริญมรรคผลนิพพานเพราะจะมีนิวรณ์คือกามาฉันทะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าอยู่ใกล้กันมันอดมันอดที่จะแตะเนื้อต้องตัวกันไม่ได้พอแตะเนื้อต้องตัวก็จะเกิดการมารมณ์ขึ้นมาดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่เป็นชายแท้จึงบวชกับ บวชไม่ได้แต่บวชแต่ปฏิบัติเองได้ก็บวชบวชบวชอยู่ตามลำพังของตนอย่างนี้ไม่ไม่ไปอยู่กับใครนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนผู้หญิงที่ไม่สามารถบวชบวชเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องบวชแบบถือศีลแปดไปแล้วก็บำเพ็ญภาวนาตายตามลำพังของตนไป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 รวมถึงเส้นผมในบางครั้งนั่นถือว่าเป็นการปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าขอรับเกิดการภาวนาแล้วปรากฏนิมิตต่างๆขึ้นมานี่มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาและอยู่จริตของแต่ละคนบางคนภาวนาแล้วก็ไม่มีนิมิตอะไรปรากฏให้เห็นบางคนก็มีนิมิตที่มีทั้งหลายมีนิมิตหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเป็นนิมิตที่ไม่เกี่ยวกับ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 ความไม่เที่ยงของเขาเห็นความตายของเขาเห็นความตายของเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้เห็นอย่างนี้เป็นเป็นนิมิตที่ดีเป็นนิมิตที่จะทําให้เ อ, อื้ อ, อต่อการเจริญวิปัสสนาเอื้อต่อการบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นนิมิตที่แบบว่าได้ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเห็นสิ่งที่สวยสวยงา ม, งามได้ไปดื่มได้ไปรับประทานได้ไปมี ได้ไปอยู่กับแฟนอย่างงุ่นอย่างนี้ถ้านิมิตเหล่านี้ไม่ดีเ <laughs> <laughs> พราะมันจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกิเลสมันจะทําให้เราติดเราต้องดูนิมิตที่จะทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวชเกิดความที่อยากจะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ <laughs> นั่นก็มีนิมิตทั้งที่ดีและไม่ดีท่านเปรียบเทียบ ว, ว่านิมิตนี้ก็เป็นเหมือนกับมีด มีดถ้าคนรู้จักใช้ก็เอามาทำประโยชน์ได้เอามาตัดตัดไม้ทำกับข้าวตัดผักอันเนื้อทำอะไรได้แต่ถ้าคนที่ใช้มีดไม่เป็นก็เอามาบาดหรือเอามาทิ่มแทงตัวเองได้ดังนั้นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นเวลาที่นั่งภาวนาจึงเป็นนิมิต ท, ที่มีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะ ก, ก็อย่าไปสนใจให้ภาวนาต่อ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 รอบุญรับบุญนี้ก็รอรับบุญที่เกิดจากการให้ทานเท่านั้นเพราะสถานภาพของจิตใจเขาเขาต้องการต้องการของของใช้ไม่สวยต้องการเสื้อผ้าต้องการอาหารที่เกิดจากการทำบุญทาทานของเราส่วนการแผ่เมตตาแผ่ความสงบนี้มันไม่ได้อยู่ฐานะที่จะแผ่ไปได้ผู้รับก็ไม่มีฐานะที่จะรับได้ แม้แต่ขนาดมีชีวิตบอกให้นั่งสมาธิยังไม่นั่งเลยอยากอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนี่ก็ต้องหาก๋วยเตี๋ยวให้เขากินเนียเวลาเขาตายไปแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวถวายพระแล้วก็ส่งแป้รับคำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเนื่องด้วย มีผู้บวดรูปหนึ่งชอบพายโยมไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆไปตอนนังคืนแต่ผู้บวดรูปนั้นก็จะนำของเส้นไหว้ซึ่งบอกว่าใช้บวงสรวงเทวดาและมีพิธีกรรมแปลกๆพอตอนที่มีผู้นั่งภาวนาบางคนส่งเสียงร้องแปลกๆ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 ถูกผีอำทุกคืนล่าสุดถูกดึงตกเตียงคำถามเป็นความประพฤติไม่ดีของเด็กใช่หรือไม่เจ้าคะเป็นวิบากของเขานะวิบากกรรมของเขา mm hmm. เขาคงไปทำอะไรในอดีตไว้มากมันฝังอยู่ในจิตพอ <c oughs> เวลานอนหลับมันก็จะปรากฏขึ้นมาท่า <c oughs> นถึงบอกว่าถ้าทำความดีแผ่เมตตา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 แล้วเขาอยากจะสนับสนุนเราเขาให้เงินทองกับเรามาถ้าเป็นอย่างนี้เงินทองมาโดยที่เราไม่ไปขอไปเรืยอะยๆก็ไม่ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไปเรื่อยๆนี้มันก็ได้ไม่คุ้มเสียเราได้ความเมตตาเลี้ยงสัตว์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปขอเงินขอทองของผู้อื่นเขาเดินทางเขาไม่เขากลับเขาอาจจะเบื่อนะเบื่อเบื่อที่หน้าเราเห็นหน้าที่ลายก็ขอเรื่อยต่อไปก็อาจจะไม่อยากจะเจอเราก็ได้ น้นถ้าเราทำไม่ได้ก็ควรจะปล่อยไปเลยว่ายกไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงคนที่เขามีปัญญาจะเลี้ยงก็ปล่อยเขาเลี้ยงไป yeah. เราก็ต้องจเจริญ อ, อุเบกขาไปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, งตนทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น yeah. ก็ปล่อยเขาไปไปตามบุญตามกรรมอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายดีจะได้หมดกรรมจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สัที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 เหมือนกับไก่ได้พอยเขียทิ้งเขียทิ้งเอาแต่เอาแต่ตัวไส้เดือนอันนี้ก็เหมือนกันการกระทำอะไรต่างๆถ้าไม่เป็นการกระทำเพื่อตัดภพตัดชาติไม่ได้การทำตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่เสียเวลาเปล่าๆขอให้เอาไปคิดไว้ก็แล้วกันเำแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา